สา6จดหนึ่งหกช่างปั้นหม้อวงเล็บเปิดสามสิบตุลาคมสองพันห้า้อยห้าสิบจุดจุดนาทียี่สิบห้าวงเล็บปิดหลวงพ่อนะถ้าลูกศิษย์เรียนเก่าๆหลวงพ่อจะโหดร้ายนะใครใส่หน้า ก, ากากมาจะฉีกมันฉีกถ้าลูกศิษย์ใหม่ๆก็โอ้ๆไปก่อนนะคนเก่าๆก็หนักหน่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะปฏิบัติต่อพวกเธอเหมือนช่างปั้นหม้อที่นวดดินทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีก ทุบด้วยมือเหยียบด้วยเท้าใครทนได้ก็ได้แกนคนใหม่ๆลุงพ่อก็โอ้โอ้ไปก่อนนะเดี๋ยวตกนรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวโมโหโทโส